ที่ว่าเคลิ้นมากช่วงนี้คือเคลิ้นมากเลยคนเยอะมากเลยเออหรือว่ามันเป็นช่วงเลิกเนนค่เนนใช่ไหมคะมก็เพิ่งตัดไฟไ ง, ไงอ๋อตับไฟคนเยอะมากออค่ะเดี๋ยวเลือกประเด็นไฟค่อยคุยกัอเนเ อ, อ, อันนี้เน่ก็กล่วาวไปในมัธการค่ะอาจารย์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเราจะมีวิธีการยังไงสําหรับในภาวะปัจจุบันกับการดําเนินชีวิตที่ไม่ทุกข์นักไม่ทุกข์มากแต่ว่าอยู่สามารถอยู่ในความทุกข์ได้ค่ะอาจารย์ ยิ่งสมัยนี้มันก็ไม่น่ า, าทุกข์มากอยู่แล้ว น, นะเพราะชีวิตของผู้คนสมัยนี้เนี่ยก็สุขสบายกว่าแต่ก่อนเยอะชเอ่อชีวิตควา ม, มอยู่ของคนสมัยนี้เนี่ยสุขสบายกว่าห้องเต้หรื อ, อพัตจากพัสต์นะจะเดินไปไหนเนี่ยนะจะไปไหนเนี่ยก็ไม่ต้องขึ้นเสลียงนะไม่ต้องขึ้นวอขับรถสบายกว่าใช่ัชหม ้วก็ติดแอรเวลานอนนะก็นอนทัองแอร์นะที่ยังสะดวกสบายกว่าพระราชสมัยก่อนนะแต่ว่าอันนั้นคือความสุดกสบายทางกายไอ้ที่ทุกเนี่ยคือความทุกข์ทางใจถา่ว่าทุกข์ทางใจนี่ทุกข์เพราะอะไรนะอัตมาก็คิดว่าทุกข์เพราะ ความคิดและมุมมองเป็นส่วนใหญ่นะที่อย่างเช่นคนทุกวันนี้เครียดนะความเครียดเนี่ยเป็นเป็นปัญหาของคนสมัยนี้นะแล้วก็ถามว่าเครียดเพราะอะไรนะหนึ่งเครียดเพราะการงานและความเครียดเพราะการงานส่วนใหญ่นี่มันก็าไปเขาไปคิดถึงงานที่รออยู่ข้างหน้า งานที่ยังสะสงไม่เสร็จซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้ายังมาไม่ถึงส่วนใหญ่เนี่ยความวิตกกังวลของคนผู้คนสมัยนี้มันก็คือความทุกข์ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงะะะนะที่ถามว่าควรจะทำอย่างไรก็มาอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้น ว่ามันมันจะอยู่ในปัจจุบันยังไงเพราะว่าใจยอยู่กับปัจจุบัน น, น ะ, ะทางานเวลาทํางานเนี่ยก็จดจ่อใส่ใจอยู่กับงานที่กําลังทําอยู่นะนบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะทำงานก็นึกถึงลูกห่วงลูกนะอพอกลับมาบ้านอยู่กับลูกก็นึกถึงงานใชสลับเปไปเออใช่ไหมค่ะเออห่วงลูกใช่ไหม แทนที่อยู่กับลูกเราจะอยู่กับลูกด้วยใจเต็มร้อยก็ไปคิดถึงงา น, น, นเวลาทํางานคิดถึงลูกเวลาอยู่กับลูกคิดถึงงานเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงงานแต่เวลาจะทํางานก็ง่วงนอนใชปัญหานั้นแก้ยังไงเดียวคือวเวลาทํางานก็อยู่กับงานเดี๋ยวก็นึกถึงลูกเวลาอยู่กับลูกใจก็อยู่กับลูกไม่ต้องคิดถึงงานเวลานอนก็นอนจริงๆเอางานวางไว้ก่อนนี่คืออยู่กับปัจจุบัน คันนี้ความทุกข์ประการที่สองเนี่ยคือทุกข์เพราะว่ายังมีไม่พอทุกข์เพราะอยากได้ไอ้ถามว่าที่มีอยู่เนี่ยมีพอมีเยอะเอยียงก็มีเยอะ แ, แล้วมาจัดกาข อ, ขอกลับไปข้อที่หนึ่งก่อนนี้นึงนะคะจะได้เคลียร์ทีละข้อคือพระอาจารย์บอกว่าทุกข์เนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใช่ไหมคะถ้าเผื่อว่าคนอ่านเนี่ยเขาอ่าแล้วอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเรามันมีเทคนิคหรือวิธีการยัยงไงบ้างให้เขาว่าวิธีอยู่กับปัจจุบันคือมันมีอะไรบ้างยังไงบ้างอะคะ่ะมันน่าจะมีทาง ก็ <P os ite> ให้มีสติสติจะเป็นตัวช่วยทำให้ใจอยู่กับปัจจุบันเพราะถ้าไม่มีสติใจก็จะวอกแวกวอกแวกสติมันช่วยทำให้รู้ตัวทำให้ระลึกว่ากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังทำงานเนี่ยไป น, นึกถึงลูกเนี่ยนะเดี๋ยวสติมันทำให้เราลึกเฮ้ยนี่เรากำลังทงานอยู่กํากำลังขับรถอยู่เรากาลังประชุมอยู่เรากำลังพิมพ์บดอยู่นะสติมันจะเป็นตัวเตือนให้ดึงกลับมา ซึ่งต้องฝึกบ่อยๆตัวทั้งสติเนี่ยเราสติเนี่ยมันคล่องแคล่วว่องไวคือก็ต้องฝึ ก, ก น, นะครับสติในแง่นึงเนี่ยมันทําให้อยู่กับปัจจุบันอีกความหมายนึงคือมันทําให้ปล่อยวางได้คนสมาี้ทุกเพราะยังแบกเพราะยึดและเดี๋ยวนี้เราจะพบว่นในในอเมริกาในยุโรปเนี่ยคนนํามาสนใจเรื่องการเจริญสติมาก ในที่ทำงานของบริษัทชั้นนำหลายอย่างเลยเพราะบริษัทที่ต้องใช้สมองใช้หัวคิดมากเนี่ยเช่น Google Facebook 3M mm hmm. นะหรือว่าในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยก็จะให้ความสำคัญการจรจิตมีคอสมีการปฏิบัตินะทั้งในในในระหว่างวันแล้วก็ในระหว่างอาทิตย์อันเนี้ยมัน มัช่วยทำให้เขาเนี่ยกลับ ม, มาอยู่กับปัจจุบันได้ดีขึ้นแล้วช่วยทําให้เขาวาง <น prevents. S 1> สิ่งที่มันรกรุงรังในหัวซึ่งก็ทําให้ใจสงบใจเบาได้ค่ะตอเรื่องที่สองก็คือว่ามีไม่พอค่ ะ, คะกลับมาที่เรื่องที่สามีไม่พอก็กไม่ช่บตัวเองมีน้อยมีเยอะอยู่แล้วแต่ยัางมีอีกใช่ไหม แลวการทีไ่ไม่พอในส่วนใหญ่เกิจากการเปรียบเทียบ mm hmm. เด็กๆเนี่ยเห็นเพื่อนเขามีสมาร์ทโฟนตัวน็อยากจะมีบ้างทั้งที่ตัวมีของเล่นเยอะแยะ mm hmm. มีโน mm ้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตใช่ไหมมีเครื่องดนตรี mm hmm. มีเครื่องกีฬา <Yeah. S 1> มีเยอะแยะ mm hmm. แต่ยังเป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่าอยากได้อีกพราะคิดว่าอยากได้อยากได้เนี่ยมันทำให้คนทุกขนะ์ไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ เห็นเขามีเห็นเพื่อนลงมาเขามีรถอยี่ห้อดียี่ห้อหรูเรา ข, ขับ Toyota แต่เขาขับด m เอมก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไหมเขาแม้กระทั่งว่าเขาเลื่อนขั้นเขาเลยสองขั้นเราแค่ขั้นเดียวเราก็ทุกข์ใช่ไห ม, มคือเนี่ยมันทุกข์ทั้งที่อยู่ท่ามกลางความ พรั่งพร้อมท้งวัตถุใช่ไม่มอันเนี้ยแล้วก็บอกว่าชีวิตมันอยู่ยากอยู่ยากนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของการทําใจไม่ถูกวาง ใ, ใจไม่เป็นมีเพื่อนมีคนมามีคนก็เป็นอาสาสมัคร hotline คนที่มาโทรสา์มาข อ, อความช่วยเหลือ hotline ก็ไม่เป็นคนที่ใหญ่ฆ่าตัวตายเครียดมาก แล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอกหักผิดหวังน ะ, ะบางคนก็ป่วย ม, มีคนหนึ่งฟังดูก็รู้ว่าแกเป็นนักธุรกิจระดับใหญ่แกเครียดแกกุมอกกุ่มใจมากมที่ที่ประเทศไทยใช่ไห ม, มอย่า่เมีงใหยถามไปทำมแกว่าเนี่ยปีนี้อปีที่ผ่านปบริษัทกำไรแค่ห้าพันล้าน ทุกข้ออะหรข้อปีก่อนแะเนี่ยหมื่ล้านเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทุกแล้วใช่หมซอกเขาเนี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะหมื่นล้านเนี่ยกําไรตอนนี้เหลือห้าพันล้านใช่ไหมแต่มันควรจะเครียดจงกระทั่งต้องโทรศัพท์เขาหลายว่ะใช่ไหมคุณไม่ได้เป็นหนี้คุณไม่ได้ขาดทุนนะคุณแค่กำไรน้อยลงคุณเป็นทุกแล้วใช่ไหมคือถ้าคุณเทียบกับห้าหมื่นล้านคุณเหลือห้าพันล้านเนี่ย ก็ทุกเลยแต่ถ้าคุณหมอโอ้ โ, อโ ห, โห ย, ยังกำไรนะ ม, มอมมองเนี่ยเนเี่ยเดี๋ยวเนี่ยทุกข้อเหตุเ น, นี่ยเยอะออเอ๊ะหนูมันมีคำถามขึ้นมาแอดหนูนะคะว่าถ้าอย่า ง, งานเนี้ยอยากที่อ า, า, าจารย์อาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของอาการไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคราบมีไม่เพียงพอถ้าอย่า ง, งานเนี่ย มันจะบอกว่าเป็นในยุคนี้ไหมไม่ใช่ทุกยุคเนยมันก็จะเป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แต่ยุคนี้แต่ยุคนี้เนี่ยมันเป็นเน้นเป็นเล้นเรื่องวัดทำลายเป็นเน้นเรื่องความสําเร็จที่วัดตัววัดเป็นตัวเลขได้เป็นเน้นเรื่องโดยเฉพความสําเร็จที่วัดเป็นรูปของวัตถุเงินเดือนตําแหน่งสินทรัพย์ใช่ไหมสมัยนี้เป็นยุคที่มันไปให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่องวัตถุมากคือสมัยก่อนเนี่ยเขา เ, เขาไม่ได้เรื่องความสาเร็จของชีวิตนในความหมายนี้ อ, นอาจจะต้องการเพียงแค่ว่าเ อ, อให้ครอบครัวมีความสุขอยู่กันอย่างผาสุขราบลืน่นเข้มพอกินพอใช้อําไอ้คว่ารวยนี่มันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นจุดหมายชีวิตของคนสมัยนี้นะไม่ใช่เป็นชีวิตของคนทุกคนทุกยุคทุกสมัยนะคนสมัยก่อน <segregated> นี่ไม่มีความอยากจะรวยเท่าคนสมัยนี้แล้วคนสมัยนี้มันไม่ใช่แค่อยากรวยนะต้องรวยกว่า คุณรวยคุณรวยร้อยล้านเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนคุณรวยพันล้านเนี่ยคุณมีความสุขไหมอะไรที่มันทําให้คนกระแสสังคมมันไปไปไปไปทางนี้คะอะไรบริโภคนิยมวัตถุนิยมโถนิยมอ่ะบริโภคนิยมมามันทำให้ชื่นคนเราเนี่ยทําให้ชื่นเราเนี่ยถูกถูกถูกตีกรอบให้เป็นเรื่องของการครอบครองวัตถุ และปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมันเป็นเน้นเรื่องความเป็นปัจเจกมากความเป็นปัจเจกมากก็จะเิก็จะคล้องสุว่ากูต้องมีให้ได้มากกว่าคนอื่นไอ้ความคิดแบบปัจเจกมันก็เป็นของที่สมัยใหม่นะเพราะคนสมัยก่อนก็ไม่ได้มีความคิดแบบปัจเจกมากเหมือนกับคนสมัยนี้จ่มาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเขาสร้างพัตถุรูปที่งดงามก็ไม่เคยทิ้งชื่อไว้นะ สมัยนี้เราทิ้งชื่อเปิดมดเลยค่ะบริจาคเท่าไหร่ก็ต้องประกาศขึ้น Facebook ซบุ๊กซือมะเขียนไว้ในทั้งเขียนชื่อไว้กับอีทิ้งชื่อไว้หมดเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งมี Facebook ก็ประกาศแล้วก็บอกว่าเนี่ยส่งบุญมานะเซลฟี่นี่ก็เป็นตัวอย่างเขาเซลฟี่อยู่แล้วว่าตัวกูของกูเซลฟี่ว่าตัวตัวตนค่ะคือ ทุกยุคทุกสมัยคนมนุษย์เนี่ยมันมีความโลภอยู่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมันไปกระตุ้นความโลภให้มากขึ้นไปกระตุ้นความยึดติดในตัวตนให้มากขึ้นทั้งนี้นมันจะยากขึ้นไหมคะ ท, ที่ที่ที่อาจารย์บอกว่ามันมันคือกระแสความบิทันที่ทําให้มีความอยากมากขึ้นในขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็จะต้องดับพยายามที่จะรู้รู้รู้รอย่เช่นรู้ปัจจุบนันหรือว่า ชื่อพอใจสิ่งที่มีใช่แต่มันจะยากยากกว่าที่ผ่านมาไหมคะนั้นมันต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างยังไงที่มันจะทำให้มันง่ายขึ้นเนี่ยค่ะงานเพราะว่าทุกอย่างมันรุมเราเขมาความเครียดความกดดันจากการงานเรื่องของเองินเ ง, งินทงองทองทำไปว่าทางเศษฐฐฐรษฐกิจอะค่ะอาจารย์มันอยู่ที่การเลี้ยงดูด้วยกลไปตร ง, งนั้นต้องเริ่มต้นที่การเลี้ยงดูให้ให้เด็กเขาให้เด็กเขาไม่หลงไหลในวัตถุ เวลาเขาให้เขาจับอื้อฟือแพือแผ่ะนะเ ว, เวลาเวลาเรียนหนังสือนี่ก็อย่าอย่าเอาแต่คะแนนใช่ไหมแต่ว่า<ไ>แสดงว่าคนจะต้องมีมันต้องต้องมีพลังมีต้องมีมีความมนใชมีพลังมีต้องใช้ความกล้าหาญมากพอที่จะไม่ ไปอยู่ในกระแสของสังคมได้ขนานั้นด้วยใช่ไหมคะมันใหม่ๆมันไม่ต้องใช้ความก็หามันมีแต่มันมันเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าใช้คำว่าแรงบันดาลใจเช่นซึ่งเกิดจากแบบอย่างที่พ่อแม่ทำจะมาพ่อแม่ทำต้นต้นแบบอย่างพ่อแม่เสริสัดเอื้อเฟื้อพ่อแม่พ่อแม่ไม่ไม่หลงในวัตถุพาลูกให้ทานเด็กก็จะ อย่มีนี่เด็กคนหน่งแกเรียนแกอายุห้าขวบเรียนยรยนุบาลที่โรงเรียนนี่ก็จะมีติดบอร์ดเด็กที่ได้ดาวเด็กที่ทําเด็กที่ทําความดีจะได้ดาวทําดีมากก็ได้ดาวมากเด็กคนอายุปูนชื่ออายุห้าขวบชื่อปูนแม่ก็สงสารทําไมลูกนี่ได้แค่สองดาวแม่ก็ไม่สบายใจลูก ไปถามครูว่าทำไมลูกทำอะไรไม่ดีเลยอที่ไหนถึงได้แค่สองดาว uh huh. ครูบอกโอ้ยปูเนี่ยได้ดาวเยอะแต่เขาเห็นเพื่อนบางคนไม่ได้ดาวเขาก็เลยแบ่งดาวเขาให้เพื่อนมันเ <Okay. S 1> นี่เดี๋็กข้าครัว uh huh. เขาไม่ได้คิดถึงตัวเองแ uh huh. ต่ต้องมาคิดว่าส่วนหนึ่งมันเด็กทุกคนมันมีมันมีมีคุณธรรมส่วนนี้อยู่แล้วนะ uh huh. สิ่งที่พ่อแม่ทําไม่ต้องไม่ต้องปลูกฟังอะไรหรอก uh huh. แค่ส่งเสริมอย่าไปตัดรอน uh huh. ใช่ไหะ คือธรรมาเชื่อเลยนะว่าเด็กเนี่ยมีคุณธรรมข้อนี้อยู่มาแต่มาแต่กำเนิดเด็กกยุเนี่ยเขาเคยทดลองในเด็กเด็กสมมติเด็กสิบดเดือนเนี่ยเอาประมาณสิบปเดือนซึ่งพอพ อ, พอจะรู้อะไรบ้างแล้วเวลาให้เปิดฟังเสียงเด็กร้องไห้เนี่ยนะเด็กเนี่ยจะมีความรู้สึกไม่ถ้าว่าเด็กมีความรู้สึกไม่สบายใจ อ, อยากจะช่วยเสียงมันมาจากไหน นแต่ถ้าเป็นเสียงของร้องตัวเองนะเด็กจะเฉยเฉยอ๋อถ้าเป็นเสียงตัวเองแต่ว่าจำเสียงตัวเองได้แล้วเด็กเขาแย่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเด็กของอื่นเนี่ยถ้าเป็นเด็กเสียงอื่นเขาจะเขาจะอยากจะช่วยแต่ว่าสิบแปดเดือนก็ยังก็ยังก็ยังอก็ยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาแต่ว่าเขามีความรู้สึกอยากจะช่วยมีน้ําใจพูดง่ายมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดมาจากับรบรรลุ มันมีมันมีอยู่ในมันมีอยู่ในในในในจิตสำนึกของเขามันมันไม่เป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังเพราะเพราะมันมีมามาก่อนแล้วในสัตว์ก็มีมีแต่ว่าครอบครัวก็มีหน้าที่ส่งเสริมให้มันมากยิ่งขึ้นใช่ส่งเสริมก็คือไม่ต้องไม่ต้องพูดเลยนะแค่ทําให้เป็นแบบอย่างก็พอแล้วแล้วก็เมื่อเด็กเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่น เขาก็จะได้รับความสุขเขาก็จะมีข้างในที่เต็มเมื่อคนเรามีข้างในที่เต็มแล้วในการที่จะไปโหยหาความสุขจากข้างนอกมาเติมเนี่ยมันก็น้อยลงก็หมายถึงว่ามีเกราะป้องกันมีุูมคุ้มกันของตัวเองใช่ไหมครับมีภูคุ้มกันแล้วก็มีมีมีมีความมีความเต็มอิ่มในใจไม่พร่องไอ้พวกที่แสวงหาวัตถุสิ่งของมากมายเนี่ยไม่จบไม่สิ้นเพราะข้างในมันพร่อง ข้างในมันพร่องกต้องหามาเติมให้เต็มแล้วไปคิดว่าวัตถุเนี่ยจะมาช่วยเติมให้เต็มได้แต่ไม่จริงคุณมีวัตถุเท่าไหคุณไม่เคยเติมความพร่องในใจให้เต็มได้ส่วนกว่าคุณจะเริ่มให้เมื่อคุณเริ่มให้เนี่ยคุณก็จะรู้สึกเต็มแปลงนะหามาเท่าไหร่เนี่ยไม่เคยไม่เคยถมเต็มเลยแต่พอให้เนี่ยมันจะเต็มเพราะอะไรเพราะที่พร่องไม่ได้พร่องวัตถุมันพร่องความสุขแล้วความสุขที่แท้เกิดจากการให้ไม่ใช่เกิดจากการเอา ไอย่งก็คือว่าครอบครัวคือพื้นฐานที่สําคัญอคอนับนะอ๋อวางมันได้ไหมครับนี่เหรอใ น, นก็หมายถึงว่าพื้นฐานคือครอบครัวนี่สําคัญที่สุดเริ่มต้นที่ครอบ<ล>ครัวเรามาก็โรงเรียนวางทักวางจะว่าวางโครง ว, วางโครงสร้างั น, น, นอพื้นฐานที่มันดีใช่สุดใช่เพราะลูกอยู่กับครอบครัว อ, อยู่กับพ่อแม่เนี่ยใกล้ชิดเป็นกลุ่มแรก ต่อมาก็โรงเรียนนะพัะ น, นาคือพ่อแม่เวลานี้ไม่มีอะไรก็ลูกให้อยู่กับให้ลูกใช่ไหก็โยนภาระรากับโรงเรียนไอโรงเรียนครูก็มีไม่ ม, <ช>ไ ม, มีไม่มีไม่มีอะไรให้กับสิทธิ์อีกเพราะครูเนี่ยทายําพ a p e r ์เวิเยอะเหลือเกินใช่ไมเนี่ยตอนนี้วกเรมีกันเยอะมากน่าเห็นใจครูเนี่ยน่าเห็นใจทรายงานเนี่ยครูทั้งอาจารย์มาอะไรกอนกันนะต้องทำประเมินทุกทุกทุกชั่วโมงนี่เนี่ย ไม่มีใครมีเวลาให้กับเด็กแต่มีมีคนคอยู่กลุ่มนึงมีอะไรกับเด็กมากพวกสื่อไงเขาทุ่มเทวเวลาเพื่อทำงไนจะหลอกล่อดเด็กได้ให้มาซื้อขนมให้มาซื้ออะไรใช่ไห ม, มรวมทั้งไอ้พวกที่คิดถ้าประโยชน์จากเด็กใช่ไหมตอนนี้ครูพ่อมีอะไรกับเด็กครูไม่ไดล้ครับให้กับนักเรียนเด็กไปหาอะไรเด็กก็ไปหาสื่อหาโทรทัศน์สมัยก่อนนะ ก็โทรทัศน์โทรทัศน์อะคือพ่อแม่ของเด็กคือครูของเด็กแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้อาจจะเป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมอือตลอดแล้วพวกที่ผู้ที่ทำงานนี้ก็พยายามทุ่มเทให้ให้เวลากับเรื่องนี้มากในการที่จะล่อลอกเด็กเ่้ามอันนี้ก็รวมถึงนักร้องศิลปินต่างๆนะพวกนนี้คือคนที่เขามีรายกับเด็กซึ่งถ้าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพก็ก็โชคดีของเด็ก ถ้าเป็นคนที่เขาต้องการประโยชน์เด็กเด็กก็สวยไปแต่ปัญหาคือไอ้เด็กสวยตอนนี้มันมีมันมีเยาว์แตเด็กที่ไดมีโชคโอ้โหก็ดูทุกอย่างไปดูเราเข้ามาเหมือนกันนะเทคออกไปเทคพยายามเทคแตเด็กออกไปแล้วนอกจากโรงเรียนแล้วก็ต่อไปก็คือสังคมละคะอาจารย์สังคมก็ก็นนี้่ไงมันก็เต็มไปด้วยคนที่ต้องการถูกเชื้อประโยชนเด็กบริษัท ทำขนมกรุบกรอบทำน้ำหวานก็ก็พยายามหลอกล่อให้เด็กใช้เงินเด็กตอนนี้ใช้เงินเพื่อซื้อขนมกรุบกรอบพวกนี้นะปีนึงเนี่ยกี่หมื่นล้านอันตรามาว่าเป็นหมื่นล้านนะน้ำตาเหล่เนี้นะก็มาจากเด็กนั่นแหละใช่ไหมก็คือเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ ไไวันนี้ในในสังคมแบบนี้นะในสือ่อในบริบทแบบเนี้ยเด็กก็โตขึ้นมาก็คิดแต่เรื่องของการมีการเสดการได้การครอบคร อ, อ, องพอดูแล้วมันก็ดูวันดูมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กจะคะดูมันจบไม่ค่อยค <laughs> ้อนบังเลตัวนี้ก็ต้องมีกลุ่มอย่างองค์กรอย่างสอช อ, อะไรเนี้ยขึ้นมา 3าพลังก็มาช่วยสลังก็คือว่าในนส่วนคือก็เชื่อมกันโยกันแล้วก็ว่ากันไปกันไปอีกทีหนึ่่าใในเชิงของธรรมะะคะทางด้านศาสนาก็อาจารย์ธรรมะที่พูดมานี่ก็าทำบังนั่นแหละค่ะใช่ไหมค่ะก็คือการให้รู้จักมีความสุขภายในค่ะความสุขจากการให้ต้องทำให้คนรู้จักความสุขจากการให้คือคนทุกวันนี้รู้จักแต่ความสุขประเภทเดียวความความสุขจากการมีการเสพการครอบครอง ความสุขที่อิงวัตถุมันมีความสุขที่ไม่อิงวัตถุไม่ต้องอสสาศัยการครอบครองเยอะความสุขจากการให้ความสุขจากการทําสิ่งยากให้สาเร็จด้วยกําลังของตัวเองความสุขจากการที่จะอยู่ท่ามกลางคนแักครอบครัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติความสุขที่เป็นจากสมาธิภาวนาพวกนี้เนี่ยไม่ต้องใช้เงินเลยง่ายก็นี่เนี้เนี่ยคือธรรมะธรรมะเนี่มาสอนให้เรารู้จักความสุขที่มันเหนือกว่าประเสริฐกว่า การมีการได้การครอบครองอันนี้น่าพรอมแลคะ่ะถามไปแถวตึ๊เลยะค่ะว่าแต่ว่าภายใต้ในขณะนี้เนี่ยนก็มีความกัดแจงในเรื่องของในเรื่องของตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของในส่วนของคณะของสงฆ์นะคะปัญหาแก่ น, แ ก, นแก่นของมันคืออะไรครับอาจาแก่นของมันถือว่าสงฆ์มีคุณภาพน้อยลง หรือว่าเพือนทางจากคำสอนแล ะ, ะคำสอนทางพุทธศาสนาแล้วก็เข้าไปหลงไหลในในกระแสะโลกมากขึ้ น, นปัญหาใหญ่ ในขณะที่ตัวเขาฆ่าเราว่าเรา เ, ราเรานี่ยค่ะเราจะช่วยไงได้บ้างให้จะลดาวส ไ, ได้บ้างรคะก็ส่งเสริมพระดีแล้วก็อย่าไปอย่าไปอย่าไปทาให้พาะเสีย<อ>ใช่ไห <sk an> ว่าพาเสียนี่คือแบบาาก็<ะ>ไปตามใจพระมากตวมือนกับพ่อแม่ทาให้ลูกเสียเรียกสปอย่ะเ<ๆ>าารีร้องมาเียเราจะปฏิเสธได้ยังมือนกับลูกเรียกร้องพ่อแม่พ่อแม่ต้องให้ทุกอย่างแล้ว่ะลูกอยากจะได้แท็บเล็ตกจะได้ iPhone อยากจะได้ อะไรต่ออะไรลูกก็ไม่ต้องพ่อแม่มีไม่ต้องให้ทุกอย่างแต่ว่าอะไรที่ควรให้ก็ให้อะไรที่ไม่ควรก็ก็ไม่ไม่ให้ใช่ไม่มก็จะไปสปอยพระอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้ อ, อย่างหนึง่งคารวะจะถือไม่ควรที่จะจบสื่อพระด้วยด้านนี้ใช่ไหมเออไม่ทําให้พระเสียด้วยความปรารถนาดีแต่ว่าไม่ไม่รู้เรื่องธรรมวินัยเอากิเลสเอากิเลสของเราไปไป ไปส่งเสริมพระไปส่งเสริมกิเลส ข, ของพระเราจะดูได้ยังไงว่ า, วาพระดีหรือพระปฏิบัติายังไงบ้างคะอย่างแรกก็ดูจากวิธีวิธีการปฏิบัติการใช้ชีวิตแล้วต่อไปอาจจะดูจากคำพูดเพราะว่าเราไม่รู้ความทีของท่านเราก็ต้องใช้ดูจากชีวิตวิถีชีวิตคือพระนี่ตรงเริ่มาจากจากการดูวิถีชีวิตว่าเป็นไงเรียบง่ายไหม นะสมถ t ม a ไหมเื้อเพื่อเกื้อกูลไหมนะไอเรื่องพูดพร้อเนี่ยเอาไวท้ทีหลังหลวงพ่อหลวงตาบางคนก็พูดไม่พร้อหรอสมัยก่อนนะกูกูมึงอย่างก็คูนะแต่ว่าท่านโรคไหมดูว่าท่านโรคไหมท่านอยู่ง่ายไหม ม, มีแม่ตามไหมก็คือง่ายๆคือดูวัดปฏิบัติของท่านใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะพิเคราะห์ได้ว่าดีหรือนิ่ดีดพระสมัยก่อนพระดีๆเนี่ยนะไม่ค่อยกุติจะโรกรุงรัง อยากหย่นะสมัยก่อนนี่นะโอ้เมื่อ5ศตวริษ450ปีก่อนเวลาไปเจอพระดีท่านก็จะไม่ค่อยดูแลนะกุฏินี่ไม่ค่อยลกลกไมหมดเนี่ยพูดหลงตาหลงโคลเนี่ยเป็นที่คเกนได้ก็ไม่เชิงคือท่านไม่ค่อยสนใจแล้วก็ซึ่งมันไม่ถูกเจริญกับคนชั้นกลางที่มีการศึกษาคนชั้นกลางที่มีการษารการวัดที่มีเรียบร้อยนะ สะอาดภาสมัยก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ค่ะดัน้นที่แห่แหไปธรรมการเพราะว่าธรรมการก็ทําให้มันสะอาดหมดจดเรียบร้อยเป็นระเบียบใช่ไหมค่ะขณะที่วาดหลายวันโอ้ยบางทีกุฏิตกระโปรงแรงต่างเนี่ยนะเพราะท่านอยู่กับชาวบ้านไยดูแบบคนสมัยก่อนสมัยก่อนก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็คือยังไงก็คือดูวัดสติปัตย์แล้วก็ดูการใช้ชีวิของท่านมากกว่าที่จะดูแบบเกื่อนเกืใช่ไหมคะอาจารย์ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คารวะเลยเราก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมต่อไปก็ต้องส่งเสริมระบบให้ที่ดีระบบการศึกษาครับนะสง่งไอ้สนิทจะไปปาจะไปเหรอไม่คิดว่าจะมาคุยเรื่องหนังสือต่อเ ด, เดี๋ยวเ ด, ว เ, ดวเอาเอาหนังสือไปดูก่อนเพราะว่าพี่อยู่ในขั้นแนะนำเราโกยกันอย่างเดตาม นี่เรื่เนี่ยร้อยหนึ่งสี่สี่นงกสิบังโอ้โหคนเยะครับแต่ไม่อหากมากแต่ปกแพงนะปกนี่20 30บาทไปแล้วเจ้าปลงเดียวะอะต่อเรื่องของคารวะก็มีส่วนหน้าที่ในการ ส, งส่งเสริมนะคะ ส, งส่งเสริมเรื่องของระบบแล้วค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างครโลกาส า, ห า, สาให้มีการให้มีโลกาสาส่งสริมก า, า ข, ของพระสงฆ์ที่ดีๆ ตอนนี้เนี่ยคือระบบสง์เนี่ยมันเป็นระบบของการศึกษาตั้งแต่ศาสนพุทธการแล้วน ะ, ะแต่การศึกษาของของพระเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการศึกษาเฉพาะในห้องเรียนสมัยก่อนก็ไม่มีห้องเรียน<ม>แต่ว่าพระเนี่ยมาเพื่อศึกษาก็ถึงเลกใช้พ่าบวชเรียนอันนี้เป็นเป็นธรรมเนียมพระที่มีการศาสนาพุทธการคือบวชเพื่อการศึกษาแต่ศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาเฉพาะสมองศึกษาคือการขัดกราบฝึกฝนจิตใจวัดปฏิบัติกายวจาใจ นะแต่สมัยนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ห้องเรียนใช้ตาราแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นต้องส่งเสริมการศาซึ่งยังไปคิดแต่ว่าไม่ใช่การศึราระบบเช่นโรงเรียนนักธรรมบาลีหรือว่าหมาหาเทสายสงมันมากกว่า น, นั้นเยอะส่งเสริมการศึกษาเปนเงี้ยก็คือหมือนกักว่าต้องปฏิบัติปริยัติอะไประมาณนี้ใช่ไหมคะปฏิยัติปฏิบัติต้องเกิดปฏิเวทขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่ใช่เวทแต่ปริยัติอย่างเดียวอืม ก็คือต้องสุกเสริมทั้งสาอย่างขึ้นไปนี่ค่ะอาจาแล้วก็ทั้งรูปแบบและนอกรูปแบบด้วยแต่ตอนนี้นี่ก็คือเน้นในรูปแบบเพื่อที่จะเป็นหมดไม่ได้ตำแหน่งอะไรก็มาเดี๋ยวนี้พ่อแม่นี่ก็คิดแต่เรื่องการสารในรูปแบบคก็ต้องไปเรียนในโรงเรียนไปติวใช่มไอการสารนอกรูปแบบนี่ไม่สนใจเช่นมีกิจกรรมพาเด็กไปเป็นจิตอาสา ออกไปข้างนอกเนี่ยบางที่พ่อแม่ไม่อยากให้ไปเสียเวลาเรียนเด็กพ่อแม่จะบอกใช่ไหมทำกิจกรรมในโรงเรียนเช่นส่งเสริมให้นักเรียนปรุงอาหารเองติดไฟเองหุงข้าวเองกเรียนอนุบาลปฐมไม่ให้เสียเวลาเรียนนี่เขาไปคิดเรื่องการสอนในรูปแบบเนี่ยการสอนในรูปแบบเนี่ยมันยีิบสี่ชั่วโมงอเวลาเขาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยนั่นคือการสอนในรูปแบบ คือหนูฟังดูรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรากําลังทุกอย่างมันปีกขั้นมาไปในทิศทางที่ดูจะลงล่างนะคะลงล่างเอยคือแบบดูไปในทางเสื่อมใช้คำว่าในทางเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาศึกษาเพื่อที่จะให้ไปสอบไม่ได้ศึกษาเพื่อที่จะให้เีชีวิตไม่แต่ในเรื่องของเอ ทด้านศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยก็เรียนในในห้องเรียนอยู่เหมือนกันไม่ได้เรียนที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติในส่วนของคนทํางานก็ก็ตามเนี่ยก็คือทํางานเพื่อที่จะให้ได้มีมากมากกว่าคนอื่นอย่างเนี้มันเป็นแนวโน้มของที่จะนำไปสู่เรื่องของความทุทกข์มากขึ้นทุกข์มากขึ้นนะั้นมันถ้าเผื่อใจกลับไปที่ตอนแรกคำถามแล้วคือว่าถ้า ง, งั้นการที่จะกลับไปอยู่ที่จะให้เราทำมีความสุขได้ในชีวิตประจำวันก็คือ หนึ่งสองก็คือในเรื่องของการรู้ตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์กับนั่นคือพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองมีอันนั้นเป็นเบื้องต้นนะคือมันก็มีตามอีกนะเช่นให้คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองหอให้รู้จักให้เข้าถึงความสุขที่ไม่เอียงวัตถุแล้วก็ไม่หวังลับลอยคอยโชคหรือทางรักปัญหาของคนสมัยนี้มีปัญหาสารอย่างทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่หนึ่ง ที่ถึงคนตัวมากกว่าผู้อื่นนี่ก็ตัวใช้น้ำใช้ไฟก็ไม่สนใจใช่ไหะก็ไว้ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ไม่สนใจใช่ไหมมีมีชวนชาวบ้านมีคนมาปลูกมาปลูกต้นไม้ไม่รู้เป็นเด็กหรือไงบ่อยเนี่ยทําไมก็ให้เรามาปลูกเราไม่ได้เป็นคนตัดต้นไม้ื็คิดว่าคนที่ปลูกต้นไม้เลยคือคนเป็นคนที่ตัดต้นไม้ เราไม่เลยตัดเราก็ไม่ไมีแล้วใช่เรามาโก่ก็คิดถึงตัวตัวเองไงใช่ไหมคนที่สองเนี่ยไม่ไม่พึ่งไม่ไม่ไมไมไมไมพึ่งพิงความสุขทางวัตถุตอนนี้คนสมัยนี้รู้จักแตความสุขทางวัตถุพวามสุจรตมีการเศกสามหวังรอบรอยคอยโชวร่ครวยทางรัฐนี่เป็นปัญหามากนักเรียนก็ไม่สนใจเรียนเพีแต่จะตัดแตะมาเอา Google มาหรือทุติยภิตในการสอบใช่ไหม ใช้เส้นใช้สายกันตลอดครับแล้วใช้ทางรัดนี่ไปชาจันโอชาก็ค่ะเหมอ่าใช่ไทางรักเนี่ยทำไมไม่สอบอ่ะใช่ไหมค่ะพระอาจารย์คะมันมีเคยเห็นสังคมที่ประเทศอื่นหรือว่าที่ไหนก็ได้หรือว่าในในประเทศไทยก็ได้เป็นส่วนสังคมเล็กๆที่แบบหนึ่งมีคนมีความเห็นกันตัวน้อยลง ไม่พึ่งในทางวัตถุแล้วก็ไม่หวังรับโชคมีร้างไม่พัดที่เคยไม่หวังรับคอยโชคนะ่ะอ๋อพวกยุโรปอเมริกานี่เขาเน้นเรื่องคุณอยากได้เลยคุณต้องทำเองพึ่งตนเองพ่อแม่นี่นะญี่ปุ่นหรืออเมริกาเนี่ยลูกอยากได้โทรศัพท์มือถือนะให้มั้ยพ่อแม่ให้มั้ยไม่ให้ไปหาเองไปทํางานอาจจะมารับจ้างตัดตัดญ้าในบ้านแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ให้เงินไอ้วอลเลนบัฟเฟต์เนี่ยมันรวยมากนะ่ะ ลูกเนี่ยอย่าเป็นเกษตรกรนะลูกก็ดีนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเออต่ขอเงินซื้อที่พ่อไม่ให้พ่อซื้อที่เองและให้ลูกมาเช่าจากพ่อเข้ามาเข้ามอันนี้ก็คือว่าคุณต้องคุณต้องพึ่งตัวเอง สิ่งที่พ่อช่วยเนี่ยคือพ่อช่วยให้ลูกพึ่งตัวเองอพ่อซื้อที่ให้แต่คุณต้องมาชอบพ่ อ, อแล้วพ่อเก่งกันนั้นนะอัตราค่าเช่าเนี่ยจะขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักของลูกถ้าลูกตัวน้ําหนักถ้าลูกน้ำหนักน้ําหนักเยอะค่าเช่าแพงถ้าลูกเปลียวบางค่าเช่าถูกแปลว่าถ้าเปลียวบางทํ า, า, า, า, า ง, ทงานหนักถ้าอ้วนก็คืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะถ้าลูกคุณต้องจ่ายเงินเยอะไง พวกก็เป็นแรงจูงใจให้ลูกเนี่ยต้องทำงานใช้ใช้แรงงานแล้วก็ให้ลูกเนี่ยให้ออกกําลังกายให้ลูกเนี่ยรักษาสุขภาพคือนี่ไงวอลเลนบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันรวยขนาดนี้นี่คือฝรั่งคือเขาจะส่งเสริมให้ลูกเนี่ยช่วยตัวเองแต่ไม่มีการให้ปลอบประลง่ายใช่ไหมคะอีกคนนึงเนี่ยนะก็มาอีกคนนึงเป็นเป็นนักร้องนะ ของเงินพ่อพ่อไม่ให้นะเพราะลูกเสียใจมากแต่ตอนเข้าใจะเอาทําไมพ่อไม่ให้พ่อต้องการให้ลูกเนี่ยยืนหยัดได้ตัวเองอและพอลูกอายุถึงจุดหนึ่งนะให้ไปเลยพันล้านอพอลูกเนี่ยสามคนที่ช่วยตัวเองได้เลยนะเอาเลยไม่เสร็จให้ไปพันล้านให้ไปทำอะไรให้ไปช่วยเหลือสังคมไมได้ให้ไม่ได้ออกไม่ได้ไปกินไปนอนนะอคือนี่ไงสังคมสังคมญี่ปุ่นก็ดีเะ ฝรั่งอเมริกาดีเนี่ยของเดิมจะเป็นอย่างนี้คือว่าคุณต้องช่วยตัวเองญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคุณอยากได้อะไรเนี่ยนะคุณไปทํางานเนี่ยไปคุณไปคุณต้องไปทํางานเพื่อที่จะมีเงินส่งค่าเลี้ยงตัวเองลูกเนี่ยไปทําร้านอาหารอากาศก็หนาวต้องแต่ไม่มีเงินซื้อซื้อซื้อรถรถจักรยามพ่อไม่ให้นะลูกก็ต้องไป ไปชาซื้อเองเใช่ไหมไม่ใช่ไม่รักแต่เขาต้องการช่วยให้ลูกในขึ้นเลยเนี่ ย, เ, ยเขาฝึกให้พี่จับคือไม่หวังราบรอยคอยโชคแล้วอยากได้ต้องหายนิยมทางรักใช่อยากได้ต้องหาเองเดี๋ยวนี้ลูกเดี๋ยวนี้พ่อแม่เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยจีนด้วยก็ไล้ให้หมดแล้วลูกมก็อาจจะขอนลยก็เกิดข่านเดียวเนี่ยหวังราบรอยคอยโชคแล้วนิยมทางรัก เพราขึ้นมากเอเดี๋ยวนี้คนไทนโยมทางลัดมากอยากรวยก็โกงถ้าไม่โกงก็เล่นหวยเล่นการพนันใช่ไหมขอรับช่าอยากได้อยากได้อยากอยากอยากได้ใบขับขี่ทางานให้ซแปลว่าเราฟรีอะเราฟรีเรื่องคุณรยธรนี่คําพื้นฐานเลยนั้นไอ้สามข้อนี้ก็จาเป็นไม่อยากไม่รู้จักตัวเองแล้ว ต้องดูต้องเรียนดูเดยอะมากเพาะเป็นสข้อนะต้องใช้ความมัม่นมากเลยนะคะค่ ะ, คะโอเค่ายก็คือง่ายก็คือว่าถ้าอยากจะมีความสุขก็ ค, คือมีรู้จักภาวะปัจเจกอารมณ์ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะพยายามให้อยู่กับปัจปจุบันและชื่นชมสิ่งที่มีไอช้ชื่นชมสิ่งที่มีเนี่ยก็คือปัจจุบันอีแบบงี้นะอืทําปัจจุบันให้ดีที่สุดชื่นชมสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะ พอใจสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้ง่ายมากเลยแล้วคุณก็มีความสุขแล้วใช่อทํายังทายากเพราะว่าเพราะว่ามันทวนกระแสสังคมปัจจุบันแต่ถ้าปู่ฟังตั้งแต่เล็กเนี่ยก็จะทําง่ายอกลับไปอยู่ที่พ่อแม่พื้นฐานอย่างที่จะมาบอกกับปูนเนี่ยปูนเขาก็ห้าขั้วแค่นั้นเองาก็ทำได้อย่างสบายไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะง่ายต้องฝึกดไปเรื่อยๆค่ะอีกนิดนึงค่ะพระอาจารย์คะ เนพอดีว่ามาในช่วงที่มีเรื่องของไฟป่าเห็นเห็นระหว่างทางเนี่ยเราจะเห็นออพอเมื่อวานเราเข้าไปดูสถานการณ์เนี่ยโอ้หมันค่อนข้างลุกลามมากได้ข่าวว่าปีนี้มันลุกลามมากมากกว่าทุกปีมันเพราะว่าอะไรครับอาจารย์ตรงส่วนนี้นะคะคือคือเวลาไม่มีไฟเนี่ยป่าเนี่ยมันก็จะทําให้เชื้อเนี่ยยาแห้งเนี่ยใบไม้แห้งสะสมมากขึ้นเรื่อย การที่ไม่มีไฟป่าในปีนี้แปลว่าอะไรว่าปีหน้าถ้าไฟเกิดขึ้นจะแรงกว่าปีนี้ใช่แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมาสิบปีแล้วที่จะเข้าวัดเนี่ยนะประการที่สองปีนี้มันแรงมากเนี่ยมันแรงมากปกติเนี่ยนะสงการเนี่ยเราก็ห่วงเราก็หมดห่วงเรื่องไฟแล้วพอฝนตกปกตีเนี่ยมันฝนตกช่วงสงการใช่ไหมปาก็ชุ่มช่ำนั้นเนี่ยมันมีเหตุกระจัยหลายอย่างอีเหตุกระจัยนี่คือว่า ชาวบาจะคึกยากจนหรือว่าปากท้องมีปัญหาปากท้องก็ล่าสัตว์นะเข้าป่าล่าสัตว์ก็มาจุดไฟไล่หมูป่าจุดไฟแล้วก็ไม่สนใจไฟที่ตรงจุดก็ปล่อยให้มันลามไปอใช่ไห ม, มจะได้ล่าสัตว์ได้ง่ายขึ้นก็เลยลูกกลางเกี่งต <c oughs> ัวแล้วก็อย่างเขาวันนี้ล่าสัตว์เพราะว่าอจุดไฟแล้วเนี่ยมันดีอย่างก็คือว่าเวลาเดินเนี่ยไม่มีเสียงกรอบกักรอบแกรบ เสียงมีเสียงกอบแกรแล้วเนี่ยมันมันลาสัญญ์ยากเลยว่าถูกจับก็คิดเนี่ยตัวเองเี่ยกูจะยิงเนี่ยกูจะยิงสัตว์ทําไมกูจะยิงได้ได้ง่ายโดยที่ก็เลยต้องต้องทําให้เผาญ้าแห้งเผาใบไม้แห้งคไม่สนใจว่าคุนอื่นจะเดือดร้อนยังไงเนี่ยก็เนี่ยไม่คิดถึงตัวเองมากคนอื่นเนี่ยใช่ค่ะมันก็เลยส่งผลกระทบในขนาดนี้ปีนี้นี่มันมันมัน มันเยอะมากถ้ากินพื้นที่เยอะมากไหมคะา้าจายเห็นลมาคือมันโตมันสองครั้งมันไฟมันไม่สองครั้งต้นเดือนกับกลางเดือนนยต้นเดือนก็ผ่านก่อไร่กลางเดือนเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็ผ่านไร้แล้วในนสุดตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบแล้วจากธรรมชาติกับตัวของมนุษย์เนี่ยปัจจัยไหนที่มันดีมากกว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะคะผ้าจายมนุษย์เมากกว่าิ u m a n ไอ human factor เนี่ยขุมยอดสุดเลยเห็นไหมมนุษย์เราเนี่ย ธรรมชาติยังไงเราก็ยังพอจะปรับตัวกับมันได้อพออย่างว่าเราก็รู้ว่ามันมันจะมาอย่างไงค่ะ <c oughs> มันคาดเดาได้ไอฮิวแมนแฟกเตอร์ยังคาดเดาไม่ได้ <c oughs> มันึจะเปลี่ยนใจเม <c oughs> <c oughs> ื่อไหร่อ่ค่ะทุกอย่างเนี่ยปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องวิกฤตธรรมชาติตอนนี้มันเป็นฮ <c oughs> ิวแมนแฟกเตอร์เท่านั้นแหละค่ะ <c oughs> โลกร้องก็ฮิวแมนแฟกเตอร์ใช่ไหมค่ะอืมยังไงไอความร้อนที่เนี่ยปีนี้เนี่ยทุกคนว่าจะบ่นบ่นกันว่าเฮ้ยมันร้อนขึ้นขนาดอยู่ในกรุงเทพมันมันร้อนแบบ เรารู้สึกได้ว่ามันมันมันมากกว่าไปที่ผ่านมากค่อนข้างเยอะมากนั้นทุกคนก็จะมีความร้อนอยู่ในตัวแล้วก็ความร้อนผสมกับความร้อนในอากาศเนี่ยมันมันจะทําให้ความความร้อนในใจเนีค่อนข้างเยอะมากทุกคนจะแบบอารมณ์ร้ายมากขึ้นพระอาจารย์นานานมีคำแนะนำไหมคะว่าเราจะสามารถดับความร้อนในใจของเราได้อย่างไรกันบ้างนะคะพระอาจารย์คืออากาศร้อนเนี่ยแต่ใจไม่ร้อนก็ได้นั่นแหละสิใช่ไหมแต่ตอนเนี้ตอนที่อาจารย์มันอจมันร้อนก่อนที่อากาศจะร้อนอยู่แล้วใช่ไหมค่ะ หน้าฝนใจมันก็ร้อนหน้าหนาวใจมันก็ร้อนอ่ะร้อนนี้มันร้อนมากขึ้นคูณสองใช่ไหมคะพอเจออากาศร้อนมันก็เลยคูณสเข้าไปใหญ่ใช่ไหมใจร้อนเนี่ยมันหมายถึงอะไรก็ความรู้สึงหมุดหิดลาคาญมีแค่ป่าร้อนเนี่ยมันชดมันฆ่ากันถึงฆ่ากันตายใช่ใช่ก็มันมีปัญหาในระดับประเทศนะค่ะมันร้อนระหว่างสีใช่ไหมพื้นการเมืองเนี้ยแต่ว่าถ้าเรามีสติถ้าเรามีสติเนี่ย มันก็ทําให้มันทําให้ใจเย็นได้กลับไปที่ปัจจุบันถนัเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าหาอุบายเนี่ยมีตัวอย่างง่ายๆมีพึ่งมีพี่ย่งคนนึงแกแกนอนแกพักแกอยู่บ้านวันเสาร์ตอนบ่ายอากาศร้อนมากเดินในษาคนไทยป่ะคะคนไทยต้องเปิดแอร์เปิดแอร์ก็ยังอ้าวบ่ายๆได้ินเสียงกดได้ินเสียงคนเรียกบุรุษไปสณี บุรุปษปสีกดตึงได้ยินเสียงกดตึงไป็ลำคาเลยนะมหมุดหมดไม่อยากออกไปรัก อ, ออกไปเนี่ยมันต้องไปเจออากาศอ้าวไปเจอแดดก็ไ ม, ไม่ก็นั่งเฉยบุรุปษปสีรู้มีคนอยู่ในในบ้านนะก็หล อ, อและไม่รออย่างเดียวร้องเพลงด้วยสุดท้ายเจ้าของบ้านต้องออกมารักรออกมาลักเสร็จเจ้าของบ้านก็ถามว่าผู้ทำหนองกระโชวว่าเนี่ย อากาศร้อนอย่างนี้ทำไมจะมีอารมณ์ร้องเพลงค่ะบุรพศนีเนี่ยนะ<ม>เงือกนี่เต็มหลังเลยยิ้มบอกว่าโรคร้อนแต่ใจมันเย็นได้ครับผมร้องเพลงแล้วใจมันเย็นใช่ไหคนอยู่ในห้องแอร์เนี่ยแต่หงุดหงดิดแต่คนนึงตากแบด<ม>แต่ว่าเ<ม>พราะอะไรเพราะว่ารู้ว่าจิต<ม><ม>ใ จ, จเนี่ยมันทําให้เย็นได้อากาศร้อนเราทําให้มันมันกลับมาเย็นเนี่ยยาก แต่ว่าทำให้ใจเย็นง่ายกว่าสำหรับเขาเนี่ยวิธีง่ายคือร้องเพลงใช่ไหมทำใจปลูกใจให้มันชื่นบานใจก็เย็นใช่ไหมปัญหาคือคนส่วนใหญ่รู้ไหมว่าปัญหาจริงๆไม่อยู่ที่อากาศร้อนอยู่ที่ใจร้อนเอเจ้าของบ้านเนี่ยที่อยู่ที่อยู่ในอยู่ในห้องแอร์เนี่ยใช่ไหมแกก็เอาแต่หมุดหงิดแทนที่มองเอออยู่ในห้องแอร์ก็สบายดีแล้วเนี่ย แกวางใจไม่เป็นแกก็หุนหินไอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญการวางใจตอนนี้เนี่ยแบบบุรุษปรเสริฐีแกรู้ไงว่าอากาศร้อนเนี่ยนะแต่ว่าอย่าซ้ําเติมตัวเองด้วยการทําให้ใจร้อนมากขึ้นแล้วแกก็มีวิธีการทําให้ใจเย็นก็คือร้องเพลงแกมไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นนักปฏิบัติทําไม่ได้ทําสมาธิแต่ก็รู้ว่าร้องเพลงแล้วใจเย็นเพราะแกรู้ว่าใจสําคัญกว่าอากาศทำง่ายนะคะอ่า คื อ, อมันต้องรู้เไง<ๆ>ว่าใจสําคัญกว่าอย่างอื่นเนีไงถ้าคุณไม่รู้เรื่องว่าใจสําคัญเนี่ยคุณก็โทษอากาศแล้าคุณก็ไมดูแลจิตใ จ, ใจคุณเน่งคุณก็โทษอากาะแต่คนที่เขารู้ว่าใจสําคัญเขาจะมาดูแลใจตัวเองเนี่ยก็คือมันย้อนกลับมาดูข้างในของตัวเราเองนั่นสิมันคือกลับมาดูแลใจตัวเอง อ, อากาศ ร, ร้อนมันร้อนยังไงเนี่ยดูใจตัวเองว่ามันบ่นไหมมันวอยวไหมถ้าคุณปล่อยให้ใจบ่นวอยไวแสดงวคุณไม่รักษาใจตัวแล้วคุณกำลังซ้ําเติมตัวเอง ใช่อากาศร้อนแล้วยังปล่อยให้ใจร้อนอย่างนี้เรียกว่าซ้ําเติมตัวเองนี่เร็วไม่รักตัวเองพราคนคนคนอยู่นี้ใจใจร้อนแล้วก็คุณหายไปแล้วเรื่องเล็กน้อยถึงกับต้องฆ่ากันตายด้วยก็มองอเข้าไปมองข้างนอกเน่ยไปมองว่าความทุกข์เกิดจากพวกมือเกิดจากคนอื่นเกิดจากสิ่งภายนอกอมไม่ได้มองว่าความทุกข์เกิดจากใจคนเราก็จะทุกขข้างนอกอืหลวงพ่อชาบอกเนี่ยเวลาเอามือล้วงเข้าไปในหลุมเนี่ย ถ้าไม่ถ้าถ้าเอื้อไม่ถึงเนี่ยก็จะบอกว่าหลุมมันลึกแทนที่จะบอกว่ามือ เ, าอเราสรัาส้นสั้นไม่มีใครที่บอกมือเราสรั้นแต่มีแต่พูกว่าหลุมมันลึกเข้าใจไหมทั้งร้อยทั้งร้อยจะบอกว่ามไม่มีใครบอกว่ามือเรนสั้นเนราเอาตัวมาส่วนกลาเนี่ยคแม้แต่เรา ม, มีความทุกเนี่ยเราก็โทษคนอื่นเนี่ยประการที่กลับมามองตัวเองกลับมาดูราใจตัวเองอื าอากาศรอออ้อนแบบนี้ต้องกลับมารักษาใจตัวเองไม่ให้ร้อนตามถ้ารักษาใจก็สุขได้เหมือนกันสุขได้ไก็อย่างอย่างสุภาษณนี่แกก็ไม่ปฏิบัติทำนันมากแกก็รู้ว่าร้องเพลงรักใจมันเย็นดีมากค่ะอาจารย์อาจารย์ดูอันนี้หนูนอกรอบแลนะคะอาจารย์เรื่องการเมืองนิดนึงได้นะคะอันนี้อาจารนี่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเลยตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการโบวไม่โหวอาจารย์มองว่าอย่างไรว่าเขาจะมันจะเกิดความมีการ จะจมรุแรงกลับขึ้นมาไหมคะมันจะปะทุขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งไหมคะมีการโฆษณาชวนเไอ้เรื่องเรื่องรณนละลงเนี่ยโวตไม่บวตเนี่ยโนไม่โนสมอไม่ทําให้ปะทุหรอกน่าไม่น่าถึงขนาดมันจะปะทุหรือแม่ก็หลังจากที่โวดไปแล้วมีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ไหมหลังเลือกตั้งดึกดังแล้วรู้ผลแล้วก็หลังจากนั้นจริงจริงจแล้วเนี่ยมันก็รัฐธรรมนูญมันก็เป็นแค่ เป็นแค่ปัจจัยเสริมถ้มมามันไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานปัญหาพื้นฐานไม่ได้แก้เราทำมือก็มีหต่จะไปทําให้มันหนักขึ้นก็คือว่าปัญหาของเรารไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุของเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยต้นเหตุของเราคืออะไรครับผู้อาวต้นทางของเราคือความเลื่อมล้ำํำความความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและอํานาจ และการที่ไม่ยอมรับความเปลีป่ยนแปลงที่จะทำให้มันให้มันคือเรียงว่า status q u เนี่ยมันมันอยู่ไม่ได้แล้ว ม, มันต้องเปลี่ย น, ม, ยนมันต้องปรับไปตามไปตา ม, ามปไปตามความจริงไปตามยุคสมัยแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเนี่ย<ช>ก็พยายามขัดขืนเอาไว้ แต่ท้าที่สุ ด, สสสสดมันก็คงจะยึดยึดไม่ได้นั่นเองมันก็ธรรมดาทั่วคนเราเนี่ยก็เหมือนกับที่เขามีเพลงเพลงบอกว่าเนี่ยเราลองลืมตาสักห้านาทีโดยที่ไม่ปิดตาโดยที่ไม่กระพริบตาเนี่ยมไม่ได้แต่เป็ น, นยังไงก็มันก็มีน้ำตาไหลเพราะธรรมชาติของตาเนี่ยมันก็ต้องกระพริบนี่คือความจริงใช่ไหมคราวนี้เราพยายามจะฝืนความจริงเนี่ยฝืนความจริงฝืนอันตรจังเนี่ย ใช่ไหมคือเราทุกวันนี้เนี่ยมันพยายามที่จะยึดให้มันคงอยู่คงที่ก็เหมือนกับลืมตาแต่ไม่ยอมกระพริบตาเนี่ยมันก็ต้องปวยต้องเจ็บแต่ว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันมันจะมันจะเกิดความเสียหายรุนแรงกว่าเพราะว่าเราไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงมันจะไปถึงวันนั้นอีกนานไหมคะก็มันวันไหนอการเปลี่ยนใจ มันก็มีเรื่อยๆไงก็สิสีตุลาก็ทีแล้วใช่ไหมสิบสี่ตุลาเสแล้วก็พฤษภาทันวินก็ทีแล้วใช่ไหมก็ไม่รู้เนี่ยมันก็มีความพยายามที่จะขยับขยื่นเพื่อนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดึงกลับมาใหม่แล้วพอก็จะเปลี่ยนแปลงก็พยายามยึดอีกแต่ถ้าเปลือครั้งนี้มันเปลี่ยนแปลงมันมันอาจจะไม่กลับมาก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ากระแสมันไม่ได้ไปทางอย่างพูดไมได้พูดไม่ออกพูดไม่ได้นะเพราะว่าเรา สมายพฤษภาจะมีเราเชื่อว่าจบแล้วจบแล้วเราจะเชื่อเราไม่ไม่มีรัฐประหารอีกแล้วใช่เราคิดมากเรามั่นใจมากเลยว่ามันจะต้องไม่มีการปฏิวัติเอนี่มั่นใจมากก็ผ่านไปช่วยุคคนเดียวมันเอาอีกอืมันก็มีความไม่แน่นอนในตัวของมันเองผิดพลาตลอดสิบสี่ตุลาหนึ่มหกนะแต่ละผ่านไปยี่สิบปีรก็เอาอีกแล้วก็เอาอีกรอึงอีกเขาบอกว่าจะมีประวั ปติวัตซ้อนปิวัดไม่เชื่อไม่เชื่อใช่หมคะข่าวล่าขม่เชื่อวัดซ้อนไม่เชื่อทหารเขาจงไงเขาจะวเขาต้องการลงอะค่ะเขาลงไม่ได้ก็ารียกกันลงไม่ไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อข่าล่าจากไายได้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะทกวิคิวรอใช่ไหคะขอรูรูปืนนะคะ ร้านกลวงหวดบริจาคเครื่องพ่นที่ไหนอ่ะแกงคอสมโฟนมอเตอร์หวดที่เพื่องนะเพื่องปั่นดึงแล้วพ่นออกพ่นที่ฉีดใช่ไหมขอบคุณมากนะจะตีทำอีกสามเครื่องเข้มาพร้อมกันชิลล์ได้ขาวยังไงได้ขาวเรื่องไฟป่าก็ได้จากสนิทจากเ c ซบุ๊กเหรอแค่หลายคนเลยเฟซบุ๊บ ในพุทธศิลป์นี่คนแรกเลยใช่ไหมที่ก็ที่แพร่ข่าวผมไม่ได้อ่านแนวอาจารย์เลยนะถ้าผมอ่านแนวอาจารย์ไม่นไม่ไม่ไม่เมเรามาทีหลังแล้วไม่ไม่ใช่อาจารย์ส่งก่อนที่ไม่ใชอุจโทรหาผมอะไรไม่อะไรไอบทความเหรอครผมแล้วยังไงถ้าผมอ่านตอนเช้าผมก็คงจะเช้ากว่านั้นแต่ไม่ใชุ่โทรหาผม9ก้าโมงครึ่งครับซึ่งไม่ใช่อุโทรปุ๊บผมก็กระจายข่าวเลย อาจารย์ส <mile> ่งหาผมนี่ตอนเจ็ดประมาณตอนเช้าอาจารย์เขียนเจ็จอาจารย์ส่งเลยผมรู้ไม่เิดใช่ไหมไม่จะสนใจเลยครับผพรู้ว่าโฟล์เกอร์ไมไภาพนี้นะพระอาจารยขอภาพนี้นะคะภาพนี้ตรงไหนที่จอยถือดีที่สั่งนะครับ ในางาครจอดแปลงกรการามจองสแปลงปั่นมาปลูกออกมาทเอารถขึ้นมาป่นก็เอารถเลิ่ที่ต้นเลยในกดาษจะตข้างล่างเลยสุดท้ายว่ปเอาเลยัดสุดท้าย แต่ไม่เจอท่านก็นะแบบท่าอาจารย์ยังแข็แรงเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเปลี่ยนแปลงเนี่ยนี่ลองแต่ดูหน้าใสมา ก, กินนะคะเรครับนี่คือวิง่งลงนี่ก็เหนื่อยแล้วเนียตม น, นี่เดินขึ้นไปเพราะชันนี่เหนื่อยเลยนะเนี่ยตอนนี้นแต่ก่อนนี่อดูกาลังบัญชานี่เหมือนกับเมื่อเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเลยค่ะไม่รู้แต่ว่าเดินไอ ดับไฟคนนี้โอ้ขึ้นขึ้นลงลงนี่ไม่ช้าเนี่ยขึ้นไปหอชั้นให้เหนื่อยเลยเห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆดังน้องเยอะแยะเต็มหมดเลยเออดีมาช่วยกันเยอะมาก